เธอได้ยินไหมว่าใครมันรำร้องเรียกอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะคาดจากกันปราะทำที่ตอกย้ำว่าฉันได้คว่าปีราคากันตำเกินเมื่อมันไม่รู้ สมองมันก็คิดไปร้อยไปจะเคยรักเธอก็กลายเป็นช็อกช้สำส้ำส้ำเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดแล้วลงส่งกับสุดแต่ใจมันรัก มันไม่รู้สมองมันก็คิดไม่ร้อยแบบจากเคยรักแทก็กลายเป็นชอกจำซ้ำๆแซ่เจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดหลับลง แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ออมตัดใจ ก็ เ, เ, เลยไม่ยอมตัดใจไม่ปล่อยให้ไปยังยึดเธอไว้อย่างนั้นว่าเธอไม่รักกันก็นเลยต้องการจะไปทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งป